ใจเป็นสิ่งที่แร้งทมกันไม่ได้คำปลอบอาจช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดแต่ไม่ได้รักษากันที่ต้นเหตุของความเจ็บปวดเมื่อได้รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาอีกก็ต้องสรรหาคำปลอบใหม่ๆ ม, มาใช้กันอีกและเกิดอาการดื้อยากับคำปลอบเก่าๆ เ, เสียแล้วสรุปคือ ถ้าใช้วิธีไหนรับผลจริงๆแค่หลอกตัวเองหรือทำให้รู้สึกดีขึ้นชั่วคราวเหล่านั้นยังห่างไกลจากการยอมรับความจริงอยู่หลายขุมสาระสาคัญของความสามารถยอมรับความจริงคือใจที่สงบนิ่งไม่กลับดิ้นรนพยายามปรับเปลี่ยนความจริงให้เป็นเท็จเพื่อสนองความอยากได้เรื่องเท็จขึ้นมาอีก เพื่อเปลี่ยนจิตจากเบี้ยวบิดผิดเพี้ยนขาดความสามารถในการรับความจริงคุณต้องพูดและคิดดังนี้ประการที่1อย่าให้จิตบิดเบี้ยวด้วยคาโกหกหรือสร้างคำขอร้องที่รู้แก่ใจว่าไม่มีใครให้กับคุณได้คาพูดมีอิทธิพลสาคัญกับจิตใครพูดบิดความจริงให้เบี้ยว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 คุณจะพบความสามารถเอาชนะความหดหู่ได้เช่นกันกล่าวคือเมื่อใจเกิดความหดหู่คุณจะเห็นว่าความรู้สึกหดหู่มันสร้างมโนภาพบางอย่างขึ้นมาในใจคล้ายเด็กน้อยหน้าตาซึมท่าทางจ๋อยต่อให้ร่างกายใหญ่โตก็เหมือนหดลงเหลือตัวเล็กนิดเดียว พอฝึกยอมรับความจริงเกี่ยวกับอาการจิตหดและมโนภาพเล็กจอยที่เกิดขึ้นในใจได้บ่อยๆจะเกิดอาการพลิกกลับเหมือนเหรียญเปลี่ยนจากก้อยเป็นหัวเมื่อหดหูถึงที่สุดก็กลับตาลปัดกลายเป็นความกระตือรือร้อนในการเริ่มทําสิ่งที่น่ายอมรับมากกว่ากันทําได้ทั้งหมดนี้จะเห็นว่าการยอมรับตามจริง ก็คือความสามารถเห็นอนิจจังยิ่งยอมรับได้มากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งมีพลังในการเห็นอนิจจังมากขึ้นเท่านั้น